สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ผมจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของวันสะบาโตนะครับโดยการประยุกต์ใช้หลักการวันสะบาโตเข้ามาในชีวิตของพวกเราเร า, เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่77นะครับภายใต้หัวข้อวันสะบาโตของฉันพระเน้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอพยพบบทที่20ข้อ8ถึง11 กระทำอพยพบทียี่2ิบข้อแปดถึงสิบเ็ดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าจงระลึกถึงวันสมาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่ในวันที่เจ็ดเป็นสบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทําการใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะว่าในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสะรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์พี่น้องครับมีคําถามเยอะแยะนะครับเวลาที่พูดถึงหรือสอนเรื่องวันสะบาโตถามว่า อาจารย์ผมจะทำอย่างนี้ได้ไหมหนูจะทำอย่างนั้นได้ไหมวันสมาโตนั้นต้องรักษาเข้มงวดถึงขนาดไหนพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปดูฝ่ายของเ d a y a d v e n น i s t นะครับที่เป็นพี่น้องของเราซึ่งเขาถือวันสมาโตนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดครับในทางเ d a y Adventist หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า SDA S มาจากว่า Seven นะครับ d มาจากว่าเด y แล้วก็ A อมาจากคาว่า a d v e n t i s SDA Seven d ดย์แอดเทั้งฝ่ายของ Seven Day ์แอดเนนั้นเขาท่อนข้างจะเข้มงวดในการถือรักษาวันสบาโตครับเพราะเหตุที่ว่าวันสบาโตนั้นเป็นหนึ่งในบัญยัติสิบประการนะครับที่พระเจ้าได้ให้ชนชาติอิสราเอลนั้นถือแสดงว่าจะต้องมีสิ่งดีใดๆสิ่งดีบางอย่างนะครับของดีที่ เราจะได้รับเมื่อเรารักษาวันสะบาโตพี่น้องครับของดีที่เราจะได้รับเมื่อเรารักษาวันสะบาโตนั้นอยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิพี่น้องครับวันสะบาโตมีพระพรอะไรบ้างวันสะบาโตทําให้เราทั้งหลายจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เดิมนั้นเราไม่เคยถือว่าวันสะบาโตนั้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องครับ ในข้อที่แปดนะครับของบทที่ยี่สิบนะครับอพยพถึงข้อที่สิบเอ็ดนั้นทําให้เราทั้งหลายจะสามารถตอบคําถามที่หลายๆคนได้ถามเราหรือแม้กระทั่งเราก็ถามตัวเองนะครับเราจะพบจัจธรรมสี่ประการด้วยกันที่นี่นะครับสี่ประการด้วยกันพี่น้องครับและเมื่อเราจับหลักสักจธรรมสี่ประการนี้เราสามารถสามารถตอบได้ทุกคําถามครับ หลักสัจธรรมประการแรกก็คือว่าอย่าให้เราลืมวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันของพระเจ้าของเราพี่น้องครับคริสเตียนเรานั้นเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์นะครับเราเริ่มต้นนมันสการ พ, พระเจ้าในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเปน็นขึ้นมาจากความตายเพราะเหตุที่พระเยซูทรงเปน็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์นะครับ เราก็จะไม่นำมสการในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเดิมนะครับวันเสาร์นั้นเป็นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนและถูกฝังอยู่อย่างไรก็ตามครับพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ได้ให้เราลึกถึงวันสะบาโตก็ถือเป็นวันบริสุทธิ์ยัง่คงเป็นความจริงและเราอย่าต้องรักษาวันสะบาโตนะครับในวันสะบาโตนั่นเองก็เราถือว่าเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตนะครับ เราก็ถือว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตยังคงอยู่และนำมาปฏิบัติกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งการพักผ่อนสำหรับทั้งหลายเพืนพี่น้องครับสะบาโตหมายความว่าเป็นวันแห่งการพักผ่อนนะครับและวันอาทิตย์มักเป็นวันที่เราพักผ่อนอยู่กับบ้านพักจากการเรียนพักจากการงานพักจากงานที่เราจะต้องทำ พี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าให้เราไปโบสนี่คือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ชัยชนะเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะขององค์พระเจ้าเหนือความตายหลักสัจธรรมประการที่สองครับให้เราถือรักษาวันสบาโตนะครับหรือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า the Lord's Day นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นั้นให้ถือรักษาเป็นวันบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าจะต้องเป็นวันที่เราเข้ามาในนั้นมัสการพระเจ้าและเป็นวันที่เราต้องสํารวจตัวเองอย่างมากทีเดียวก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าโดยการที่เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราในการดำเนิการชีวิตของเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ครับอันเกิดจากการยกโทษบาปให้อภัยบาปของพระเยซูคริสต์ ในขะเดียวกันก็คงจะต้องไม่ลืมเรื่องของการสารภาพบาปนะครับนี่คือทำให้วันสบาโตของเรานั้นเป็นวันบริสุทธิ์ครับศัจธรรมประการที่สามก็คือว่าอย่ากระทำการงานใดๆนะครับในวันสบาโตนะครับในพระตํพีข้อที่สิบนะครับแต่ในวันที่เจ็ดนั้นเป็นวันสบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงหรือทาสทาสีหรือสัตว์ใช้งานหรือแฉกที่อาศัยอยู่ที่ประตูเมืองพี่น้องครับเรื่องของการทํางานนะครับเราทํางานหกวันเต็ม น, นะครับและเราควรจะต้องสรุปงานที่อาจจะต้องค้า ง, งนะครับแล้วก็ข้ามมาถึงวันสบาโตนั้นให้จบภายในหกวันไม่ควรที่จะทําการงานใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนก็นแล้วแต่แต่หากว่า หรีกเรี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องของการช่วยชีวิตเช่นท่านเป็นหมอนะครับท่านต้องคุมเครื่องจักรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าไม่มีคนคุมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตได้อันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นในขณะเดียวกันครับอย่าทาการงานใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับรักษาที่ผมว่ามานะในข้อยกเว้นให้เป็นงานประจาของท่าน เพื่นครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับเราจะต้องไม่ทําการใดๆ น, น, นะครับเป็นประจําในวันอาทิตย์เพื่อนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหลีเกเลียงนะครับหลักศัพท์ธรรมอันที่สีก็คือข้อสุดท้ายคือการหยุดพักครับการหยุดพักนั้นคือเรื่องของการหยุดพักทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเรื่นครับเมื่อคริสเตียนหลายนคนมีความคิดแตกต่างกันนะครับในเรื่องวันสบายโต แต่ขอให้เรายึดพระคมที่เป็นมาตรฐานครับหลายๆครั้งเมื่อเรามีคําถามให้เราทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าอะไรบ้างที่เราควรจะทําหรืออะไรบ้างที่เราไม่ควรทําในวันอาทิตย์พี่น้องครับถ้าหากว่าเราทํางานประจําในวันอาทิตย์นะครับและเราขาดการนมัสการพระเจ้าผมมีคําข้อแนะนําให้พี่น้องได้อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดทาง ให้พี่น้องได้งานที่ไม่ต้องทํางานวันอาทิตย์นะครับเราอาจจะต้องช่วยกันลดภาระของคนที่ต้องทํางานวันอาทิตย์ในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน <c oughs> นะครับเราจะต้องช่วยติวช่วยตรวจการบ้านให้ลูกหลานเสร็จตั้งแต่วันเสาร์ครับแลวันอาทิตย์เราก็ไม่ควรพาลูกหลานของเราไปเรียนพิเศษนะครับการเรียนพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าขอให้เราที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้วันอาทิตย์ นะครับในการเรียบิเศษเราหลายหลคนไม่สามารถไปยังพระนิเวศของพระเจ้าได้ดในวนันอาทิตย์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนการนมัสการพระเจ้าหรือบางคนก็ไปเที่ยวครับในวนันอาทิตย์นะครับก็อยากจะให้หลายหลาคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก่อนที่เราจ ะ, ะเข้าสู่กิจกรรมของทัวของเที่ยวนะครับให้เราจับมือกันนมัสการพระเจ้าเสียก่อน ครอบครัวที่ไปพัก้อนนอกสถานที่เป็นต้นนะครับพี่น้องครับเมื่อเราปลูกฝังแนวคิดและอปติสัยในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราเพื่อที่เขาจะรู้จักคําสอนเกี่ยวกับวันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะทําให้ชีวิตของเขานั้นจะไม่ห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่มุมไหนของโลกเขาจะต้องหาที่ศักดิเพื่อที่เขาจะ ไปนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระผรของวันสมาดโตที่ทําให้ลูกหลานของเรานั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าและเราจะได้รับการพักผ่อนนะครับพักผ่อนในวันนี้เพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้หยุดนะครับอารมณ์ของเราจะได้หลุดออกจากการผูกมัดต่างๆของงานและที่สําคัญที่สุดครับจิตวิ ญ, ญญาณของเราเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน